สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการของ t o d a y นะครับวันนี้ก็เช่นเคยอยู่กับผมพรชัยจันทร์สัศมรษาในครับบอกกับมิง้งประจวบจันที่23กันยายน2562นะครับก็อยู่กันเต็มเต็ม นะประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงนะฮะใกล้ๆหนชั่วโมงแต่ว่าถ้าเอาเนื้อหาจริงๆก็คงไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะมีเพลงมีอะไรสลับสลับกันไปแต่ที่แน่ๆนะครับเนื้อหาทั้งหมดที่นํามาฝากกันในแต่ละวิคแต่ละวันเนี่ยก็เลือกเรื่องที่น่าสนใจมาฝากกันทั้งนั้นเลยนะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับก็จะมาพูดคุยนะพูดคุยเรียกว่าพูดคุยแล้วก็เป็นการสัมภาษณ์พอดีเมื่อวันที่ 17ที่ผ่านมานะฮะเมื่อวิทีแล้วนะพี่มิงได้มีโอกาสไปร่วมงานแถลงข่าวของ c a n o อนะครับกับงานที่ชื่อว่า Canon Inkjet World นะครับซึ่งในงานนี้ต้องบอกว่าเป็นการเปิดตัว product line ในกลุ่มของ i n ง j e t ของ c a n o อนะครับที่เปิดตัวขึ้นมาเพื่อที่จะตอกย้ำความเป็นผู้นำนะฮะต้องเรียกว่าความเป็นผู้นำของตลาด i ิงเจ t มาตลอด19ปีนะฮะติดๆกันเลยซึ่ง เรียกว่าเป็นการตอกย้ำและอย่างที่บอกแล้วก็ยังเป็นการพูดถึง Positioning ใหม่ที่กำลังจะก้าวต่อไปก็คือจากเดิมที่เป็นผู้นำทางด้านตลาดของ B 2 C หรือว่าตลาดของคอน sumer ตอนนี้แ a n นอนเขาก็พร้อมและที่จะกระโดดมาที่ B 2 B แต่แน่นอนนะครับเนื้อหาทั้งหมดนี้ต้องต้อง ต้องให้คนที่รู้จริงเนี่ยมาพูดคุยทั้งในเรื่องของแนวคิดในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งวันนี้นะครับพี่มิงก็ได้รับเกียรติจากคุณเนธนรินทร์จันจรัสสุขนะฮะผู้ในการกลุ่มผลิตภัณฑ์ปรินเตอร์บริษัทแคนนอนมาร์เก็ตตประเทศไทยจำกัดที่จะมาพูดถึงแนวคิดแนวทางแคนนอนที่จะใช้เทคโนโลยี การพิมพ์ของ잉เจ็ตเนี่ยช่วยในการทำธุรกิจเนี่ยในมุมไหนยังไงบ้างนะซึ่งอันนี้ก็ไปสัมภาษณ์ที่งานซึ่งพี่มิงก็นำมาตัดต่อแล้วก็นำมาฝากกันมาดูซิว่าแนวคิดต่างๆของแคนนอนมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเริ่มต้นจากคำถามแรกเลยที่พี่มิงได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณเนตรนรินหรือคุณโอนะฮะว่าเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์잉เ J ็เหมาะกับธุรกิจกลุ่มใดบ้างครับ แต่ทราบว่าเทคโนโลยีในส่วนของเครื่องพิมพ์เจ็เนี่ยของ Canon เนี่ยบอกกับกลุ่มธุรกิจอะไรบ้างครับจริงๆเทคโนโลยี잉เจ็ t ของ Canon เนี่ยมันเหมาะกับกลุ่มธุรกิจตั้งแต่ไซส์เล็กสตาร์ทอัพ SML หรือไปจนถึงธุรกิจที่เป็น c o r p เ r a t e เนื่องจากว่าปริ้นเต Canon เนี่ยมีความหลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละสินค้าเนี่ยก็จะตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละไซส์ธุรกิจได้ค่ะ และอยากทราบแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มยิงเจ็เนี่ยว่าของ Canon เนี่ยมีการพัฒนาที่จะตอบโจทย์กลุ่มไลฟ์สไตล์ยังไงบ้างครับออถ้าเกิดว่าเป็นในลักษณะของกลุ่มไลฟ์สไตล์เนี่ยก็ถือว่าเป็นฐานฐานใหญ่ของแ a n o n นะคะซึ่งแม้ว่าแค n น n จะไปในกลุ่มที่เป็น business แต่เราก็ยังมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มที่ยังชอบในเรื่องของการปรินต์แบบโฟโต หรือว่าการชูดแล้วก็ปริน้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มที่เป็นไลฟ์สไตล์เนี่ยเราก็จะมีการพัฒนาสินค้าที่ออกมาเป็นลักษณะกึ่งๆมันเป็นแกจเกจที่จะทําให้ลูกค้าเนี่ยสนุกกับการถ่ายแล้วก็การปรินได้ซึ่งตอนนั้นก็จะเป็นอีกเซกเมนต์หนึ่งที่เราก็มองว่ามันก็เป็นอีกแกจเกจตัวหนึ่งที่ช่วยทำให้잉เจ็ตปรินเตอร์มีศีกยภมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วแค่นอนเนี่ยเอกที่ทราบคือ ในในแง่ของการเป็นครื่งผิวครึ่งเจตเนี่ยเป็นผู้นํามาตลอด19ปีมันมีกลยุทธ์หรือวิธีการยังไงที่ทําให้สามารถครองตําแหน่งได้ยาวนา น, นขนานดนีก็หลักๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นที่ตัวสินค้าคือตัวสินค้าเราเนี่ยแค่นอนพัฒนา I ิงเจตอย่างไม่หยุดยั้งมาตลอด18 19ปีที่ผ่านมานะคะคือเรามีสินค้าที่ตอบโจทย์ตั้งแต่กลุ่มลูกค้าที่ใช้ตามบ้านไปจนถึงธุรกิจที่เป็นไซคอปอเรชันอันนั้นคือตัวความหลากหลายของตัวสินค้าอย่างที่สองก็คือในเรื่องของพาร์ทเนอร์ พาร์ทเนอร์เองเนี่ย Canon มีพาร์ทเนอร์ทั่วประเทศเนี่ยหลายร้อยพาร์ทเนอร์ที่ให้การสนับสนุนกับแ a n น n มาตลอดเกือบ20ปีที่ผ่านมาซึ่งตรงนี้เนี่ยเราถือว่าเรามีความแข็งแรงในเรื่องของ c ชา n นลที่ค่อนข้างแข็งแกร่งมาก แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของบริการหลังการขายซึ่งตอนนี้เองเนี่ยแคแนมีพาร์เนอร์ที่ดูแลเรื่องเซอร์วิสให้เราเนี่ยมากกว่า100สาขา cover ทั่วทั้งประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยจากโปรดักที่เรามีจากช่องทางแข็งแรงที่เรามีแล้วก็เรื่อง after saleservic เนี่ยเราก็มั่นใจว่าจุด น, นี้จะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยมั่นใจในสินค้าแ a n น n ถึงทำให้เราเนี่ยได้ market s h a รอันดับ1นึิปีติดต่อกันมา แล้วในส่วนของ Product l i n ในในครั้งนี้ที่มีการเปิดตัวมันมีโ Product อะไรบ้างที่เปิดมานะแล้วก็อยากจะทราบถึงกระแสตอบรับกับึ่งปีแรกที่เกิดขึ้นของแ a n นอนนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยตลาดเองเจตตอนนี้เนี่ยบ้านเราเนี่ยสัดส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเริ่มไปทางฝั่งที่เราเรียกว่าแท้งแท้จากโรงงานซึ่งแ Can นอนเองก็พัฒนากลุ่มสินค้าที่เป็นแท้งแท้เนี่ยมาต่อเนื่องตั้งแต่ปีประมาณปลายปปี2015ตอนนี้ถึงเข้าปีที่3ตอนนี้เองเนี่ยผลตอบรับเนี่ยค่อนข้างดีเพราะว่าในช่วง first half ที่ผ่านมาเนี่ยมาร์เก็ตแชรของ Can นอนเนี่ยโตเรียกว่าก้าวกระโดดตอนนี้เนี่ย 33% แล้วแล้วก็ในควอเตอร์ที่สอันนี้คือเฉพาะในควอเตอร์สปีนี้นะคะ ผู้บริโภคก็ให้การตอบรับกับสินค้าแ Can นลจนทําให้แท้งแท้แ Can นลเนี่ยได้ Market Share อันดับหนึ่งในช่วงของ Q2 ปีนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัว G Series ที่เป็นแท้งแท้สําหรับ Business ที่เราต้องการที่จะบุกในครึ่งปีหลังอันนี้แล้วก็รวมจนถึงตัวสินค้าที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เป็น Li ย e ายเฮดพิมพ์เตอร์นะคะซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ตอบสนองกับธุรกิจที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยประหยัดต้นทุนมากขึ้นแล้วก็พิมพ์ได้เร็วขึ้นอันนี้เป็นหลัก แล้วทำไมเห็นเห็นวางาร น, นี้จะเป็นครั้งแรกที่แ a n น n จะก้าวมาสู่ตลาด B2B ทำไมถึงถึงเลือกที่จะมาตลาดนี้ครับจริงๆตลาด B2B เรามองว่ายังเป็นธุรกิจที่ในมุมของแ a n น n โดยเฉพาะ i n k j e ป p r i n t อร์เนี่ยยังมีรูมที่จะไปได้โตอีกเยอะเพราะว่ากลุ่มลูกค้าที่เป็นหน่วยงานองค์กรเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยลูกค้าอาจจะคุ้นเคยกับการใช้เครื่องถ่ายกราษหรือว่า Laser p ์ปรแต่ว่าพอเทคโนโลยีของ잉เ je ที่พัฒนาออกมาแล้วตอบโจทย์ การใช้งานของลูกค้าได้แล้วก็ถือว่ามันเป็นอีกมิติหนึ่งเป็นอีกออปชันหนึ่งที่จะทำให้เป็นาการนำเสนอทางเรื่องใหม่ให้กับกลุ่มลูกค้าที่เป็นบิสเนสด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆของแ a n น n ที่นำมาเสนอในวันนี้ค่ะคำถามสุดท้ายนะครับแนวคิดการทำตลาดเครื่องพิมพ์อิงเจ็เนี่ยที่ตอบโจทย์กลุ่ม Small Medium Business ซึ่งเป็นครั้งแรของ Can นลเนี่ยตรงนี้มันมีแนวคิดอย่างไรบ้างครับ จริงๆนะต้องแจ้งไว้ว่าตลาดบ้านเราเนี่ยสตาร์ทอัพโตเยอะมากอย่างที่ทุกๆท่านทราบสตาร์ทอัพหรือว่าการค้าขายแบบออนไลน์มันโตเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เห็นว่าตรงนี้มันเป็นจุดที่ เ, เรามีสินค้าที่จะเซิร์ฟกับกลุ่มธุรกิจที่มันโตก้าวกระโดดแบบนี้ ด้วยสินค้าที่เรามีแล้วเราก็มั่นใจว่าด้วยฟีเจอร์ที่มีด้วยต้นทุนต่อแผ่นที่มีความเร็วหรือว่าคอนเน c t i ิวิตี้อะไรเองเนี่ยมันจะสามารถที่จะไปรองรับการเติบโตของกลุ่มลูกค้าที่เป็นธุรกิจไซสตาร์อัพอันนี้ได้ดียิ่งขึ้น c a n o อนก็เลยโฟกัสไปกลุ่มตรงนี้ว่าน่าจะทํา Can นน่าจะเป็นพาร์ทเนอร์ที่จะช่วยให้สตาร์ทอัพเนี่ยโตได้ขึ้นในบ้านเรา เอาละครับมาถึงตรงนี้เราก็ได้ทราบแนวคิดดีๆในการใช้เครื่องพิมพ์อ n ง j e ตกับการทําธุรกิจในยุคนี้มาเยอะพอสมควรแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณโอนะฮะคุณเนธนรินสาหรับให้ข้อมูลหรือการให้ข้อมูลบทสัมภาษณ์ดีๆสำหรับวันนี้คิดว่าบทสัมภาษณ์หรือข้อมูลดีๆที่คุณโอเ น, นานรินนำมาฝากวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับ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 สักวันไม่รู้เขาเป็นใครแต่เธอเขาได้เจอฉันวินาทีที่พบกันต่างจะรู้กันทธอสบสายตาเขาอาจจะมาที่นี่แค่อยู่ตรงนี้คนละเวลาเขาอาจจะเดินเข้ามาหลังจากที่ฉัน ฉันลังเนออกไปถ้าฉันอยู่ตรงนี้ให้นานกว่าที่เคย ที่ฉันหันลังเดินออกไปถ้าฉันอยู่ตรงนี้ให้นานกว่าที่เคยมาใช้เวลามองหาให้นานกว่าที่เคยใช้เดินที่ช้าลงกว่า น, นี้ในทุกที่ที่เคยไปมันจะเป็น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 Harmony OS อาจจะเป็นแค่โฆษณาชวนเชื่อนะฮะก่อนหน้านี้ที่หัวเวยประกาศว่าจะสร้างระบบปฏิบัติการ OS ของตัวเองในชื่อว่า Harmony OS แล้วก็ได้ประกาศต่อสื่อทั่วโลกแล้วว่าระบบนี้คือไม้ตายของตัวเองหากไม่ได้รับการสนับสนุนจาก Google นะฮะจนวันนี้นะครับหัวเวยได้ประกาศเปิดตัว Mate 30หรือเม t e 30กับเม t e 30 Pro และยังใช้ระบบ Android อยู่แต่สิ่งที่สาคัญคือไม่มีบริการจาก Google แล้วทาให ผู้ใช้งานไม่สามารถใช้งานแอปที่คุณคุ้นเคยอย่าง Google Play Google Map Facebook YouTube ได้เอ๊ะสงสัยไหมแล้วมันจะทำอะไรได้บ้างและด้วยความคาดหวังในระบบของ Harmony OS ที่จะนำมาใช้เนี่ยกับยังไม่พร้อมโปรแกรมเมอร์รายหนึ่งที่ได้รับทุนในการพัฒนาแอปสำหรับ Harmony OS เนี่ยเปิดเผยต่อสื่อจีนอย่าง Abacus ว่าระบบ a r Compiler ของ Huawei เนี่ยยังไม่พร้อมแม้แต่การจะใช้งานนิดสักนิดเลยเนยการพัฒนาแอปพลิเคชัน ไปลงในระบบไม่สามารถทำได้อย่างราบลื่นติดปัญหาหลายอย่างเพราะว่าตัว OS ยังไม่สมบูรณนะ์นโดยที่ the X e Computer เนี่ยเป็นองค์ประกอบสำคัญของ Harmony OS โดยเป็นเครื่องมือที่มีไว้เพื่อให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถย้ายแอป Android ของพวกเขาไปยังระบบปฏิบัติการใหม่ได้อย่างรวดเร็วซึ่งจะช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่าง แอปที่มีอยู่ได้เร็วขึ้นแต่จนบัดนี้นะครับเครื่องมือที่ใช้พัฒนาเนี่ยยังไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่โดยโปรแกรมเมอร์รายนี้บอกกับสื่อว่ามันไม่แฟร์ที่ปล่อยเขาไปแบบนั้นซึ่งทำให้ผู้ใช้งานอาจจะเกิดความคาดหวังในอนาคตนะฮะฉะนั้นนะครับอาจจะคิดได้ว่า Harmony OS เนี่ยอาจถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการโฆษณาหรือเป็นข้อต่อรองทางธุรกิจเท่านั้นหรือเปล่าเพราะว่าดูท่าทีแล้วหัวเวเนี่ยไม่ได้คิดจะพัฒนาระบบตัวนี้ อย่างจริงจังทั้งที่ประกาศไว้ว่าจะเปิดใช้งานระบบของ Harmony OS สำหรับมือถือในปี2020ซึ่งก็คือปีหน้า5นับแล้วตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ 3-4 เดือนเองเนาะสรุปก็คือเราอาจจะต้องเห็นหรือไม่เห็น Harmony OS ในปีหน้าก็เป็นได้การเปิดตัวเม็ด30ที่ไม่สามารถใช้แอปพื้นฐานจะเป็นปัญหาขนาดไหนงานนี้เราก็ต้องมาดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย h u e i จะสามารถที่จะ หลุดพ้นจากบ่วงเกมนี้ที่ทางอเมริกาได้ทิ้งบอมม์เอาไว้หรือเปล่าเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าตัวนี้ยังไม่สามารถที่จะทําได้จริงเนี่ยเขาก็คงจะต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากจริงๆแต่ในมู่ของพีมิงเนี่ยก็มองว่างานนี้มันไม่ใช่สงครามการค้าเฉยๆแต่มันเป็นสงครามของเชื้อชาติก็เลยเชื่อว่านักพัฒนาชาวจีนด้วยกันเองเนี่ยน่าจะไม่ยอมนีน่าจะไม่ยอมให้มัน พลาดได้ก็น่าจะมีคนหลายๆคนกระโดดเข้ามาช่วยตรงนี้ก็ต้องรอดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสําหรับงานงานนี้รายการคอมทูเดย์สนับสนุนรายการโดยบริษัทเ r อาร์จำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสถานสุขภาพความงามบัวสปา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 ที่ที่เปลี่ยนไปทำไมไม่เข้าใจเลยแต่ฉันชอบเธอแบบนี้ทุกเวลาดูดีกว่าที่ผ่านมาถึงเธอจะแตกต่างเท่าไรถูกใจกว่าเดิมเป็ยนต้องรวังงงจริงจริงนี่มันผู้หญิงยิงเรือหรือผ้าที่พับไว้เป็นกุณสตรทีที่ปลอมตัวมาหรือเป็นซ i a ออสายลับ f อ i บ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 หรือตายลาเธอเขาที่มาไรอยากบอกให้เธอได้รู้ไม่ว่าเธอจะอยู่จะมาจากไหนฉันจะรักเธอฉันจะรักเธอไม่ว่าเธอคนนี้จะเป็นใครเธอจะมาจะพ้าหรือที่ใดจะเป็นใครไม่สาคัญเพราะฉันไม่แคร์ที่เหตุผลแล้ว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 เลยแต่ฉันชอบเธอแบบนี้ทุกเวลาดูดีกว่าที่ผ่านมาถึงเธอจะแตกต่างเท่าไรถูกใจกว่าเดิมอยาก อ, อกอีกเธอได้รู้ไม่ว่าเธอจะอยู่จะมาจากไหนฉันจะรักเธอฉันจะรักเธอไม่ว่าเธอคนไห้จะเป็นใครคนเดิมไม่เป็นอย่างที่ผ่านมาถึงเธอ แตกต่างเท่าไรทุกใจกว่าเดิมถึงเธอจะแตกต่างเท่าไหรทุกใจกว่าเดิมคลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์ นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไปให้มาตรงกรันที่วิทยุราชมงคลทัญบุรี FM 8 9 5เดมกะมาที่ข่าวสตาร์ทอัพจีนนะครับใช้แว่น VR ช่วยรักษาผู้ป่วยติดยาเสพติดนะครับบริษัทสตาร์ทอัพในจีนที่ชื่อว่า Wonderlab นะฮะกลังทดสอบใช้แว่น VR บวกกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ สังเกตพฤติกรรมผู้ป่วยเพื่อหาแนวทางในการรักษาในอนาคตก่อนเข้าเรื่องหลักนะครับต้องบอกก่อนว่าการรักษาผู้ป่วยติดยาเสพติดด้วยวิธีการทางแพทย์นะั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าแพทย์ต้องประเมินอาการตั้งแต่ชนิดของยาเสพติดระยะที่เสพภาวะทางจิตใจภาวะอารมณ์ความพร้อมของผู้ป่วยซึ่งมันไม่สามารถรักษาให้หายได้ภายใน1นถึงสวันนะฮะและแพทย์ต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิด ซ้ำแล้วนะครับผู้ป่วยที่เลิกได้ก็มีโอกาสกลับไปติดใหม่ด้วยสภาพแวดล้อมในการใช้ชีวิตนะฮะวันเดอร์แก็เลยคิดค้นเครื่องมือที่จะช่วยแพทย์ประเมินแนวทางการรักษาและวิเคราะห์แนวโน้มใ น, นอนาคตโดยนําเทคโนโลยีอย่างแว่น VR ที่ทําให้ผู้ป่วยเหมือนอยู่ในโลกเสมือนจริงกับ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ที่เข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลนะครับการทํางานของแว่น VR เนี่ยจะทดสอบผู้ป่วยที่มีอาการดีขึ้นบ้างโดยใส่แว่น VR แล้วเปิด เนื้อหาสภาพแวดล้อมที่ชักชวนให้กลับไปเสพยาเหมือนเดิมเช่นเมื่อคุณส่งแวนคุณจะเข้าไปอยู่ในรถสีลิมูซีนขลูและอาจกาลังเดินทางไปงานเลี้ยงอะไรสักอย่างมีสาวสวยนั่งอยู่ข้างๆแล้วก็ยื่นสองขา่ขามาให้จากนั้นก็บอกให้คุณกินเข้าไปแล้วมันจะสนุก ในการทดสอบอัลกอริทึมของ AI เนี่ยก็จะเก็บพฤติกรรมต่างๆจากผู้ป่วยทั้งลักษณะใบหน้าการแสดงท่าทางภาวะทางอารมณ์การตัดสินใจและการนํามาตีเป็นคะแนนในการประเมินโอกาสที่จะกลับไปเสพยาอีกหรือเปล่านะหรือพูดง่ายๆว่าเจ้าเครื่องมือนี้เนี่ยมันจะเหมือนเป็นเครื่องมือจับเท็จสาหรับคนที่ติดยาว่าหายแล้วนะและจะกลับไปติดหรือเปล่าแล้วก็เป็นเครื่องมือในการฝึกจิตใจให้เข้มแข็งเมื่อต้องเจอเหตุการณ์ต่างๆในการยั่วยุ เ น, นสิ่งเราที่เข้ามาซึ่งตรงนี้ก็พูดง่ายว่าดีกว่าที่จะปล่อยเข้าไปเจอเหตุการณ์จริงแล้วเขาติดอีกแต่อันนี้เพราะเจอปุ๊บเนี่ยเขาก็เหมือนเก็บอาการไม่อยู่เพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยเอมันก็จะนํำมาวิเคราะห์และก็บริษัทนี้เขายังอ้างว่าเครื่องมือนี้นะครับมีอัตรา ค, ความถูกต้องมากกว่า 90% และยังสามารถตรวจสอบโรคอื่นๆเช่นภาวะโรคซึมเศร้าเนะี่ยภาวะซึมเศร้าใช้แบบจำลอง AIE แบบหนึ่งเข้ามาวิเคราะห์ด้วยนะฮะก็ จริงๆก็เป็นแนวคิดที่ดีนะเพียงแต่ว่าจะทำได้จริงหรือเปล่าก็ต้องลองติดตามกันไปอีกทีหนึ่งนะครับรายการคอ t o d ด y สนับสนุนรายการโดยบริษัท ARIP จำกัดมหาชนและมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยายลัยนัปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม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 รายการคอมทูเดย์านานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกใสให้มาตรงกันที่วิทยุราชมงคลทัญบุรี FM 8 9 5เุเมกะเฮิร์ตซ์ มาที่ข่าวของ Google บ้างนะครับก็จริงๆหลายๆปีที่ผ่านมา Google ก็มีการปล่อยสมาร์ทโฟนที่เป็น p i ก e l ออกมาเรื่อยๆนะฮะตอนนี้เขาบอกว่าปล่อยเองซะเลย Google เผยภาพสมาร์ทโฟน Pixel 4ก่อนเปิดตัวช่วงปลายปีนี้เหมือนกับ iPhone เหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าหมั่นไส้หรืออะไรเพราะว่าหลังจากที่ทาง Google อยู่ดีก็เผยภาพ p i ก e l 4ว่าที่สมาร์ทโฟนเรือธงจากซีรีส์พิกรุ่นใหม่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 กับ LED Flash นะครับผ่านไปไม่กี่วันนะฮะในบัญชีทวิ t เตอร์ของ Made by Google นะ น, นั้ของ iPhone ไ y Google Google ก็เผยภาพเรนเดอร์ตัวเครื่อง Pixel 4เองซะเลยพร้อมข้อความว่าแหมเห็นกำลังสนใจกันเอาไปแล้วเราล ร, รอดูว่ามันทำอะไรได้บ้างจากนั้นก็ใส่ Hashtag ว่า #Pixel4 นะฮะไอ้ภาพเรนเดอร์ที่พูดถึงตรงนี้นะเป็นภาพเรนเดอร์ของ Pixel 4นะฮะที่ปล่อยโดย Google เองนะครับ ก็เขาบอกว่ามีลักษณะคล้ายกับภาพที่หลุดออกมาเกาะนานีมากจุดที่เหมือนกันก็คือส่วนกล้องหลังที่มาเป็นทรงเหลี่ยมนะฮะแต่ของ Google กับโฟกัสให้เห็นเลยว่ามีกล้องสองตัวกับเซนเซอร์วัดระดับความชัดลึกหรือว่า deep sensor พร้อม LED flash รวมกันเป็น4โมดูลชัดเจนนะครับซึ่งตรงนี้หลายๆคนก็บอกว่าคงต้องรอกันดูนะรอดูว่า Google จะมีดีไซน์ตามจริงนี้ไหม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 ของ Nintendo และ Nintendo เนี่ยก็เป็นเครื่องเล่นจริ ง, รงๆแล้วก็มีมานานแล้วแหละเพียงแต่ว่าก็จะมีหลายๆรุ่นออกมานะฮะเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยทาง Hor ริค่ายผลิตอุปกรณ์เสริมของ Nintendo เนี่ย n ินเทนโดสวิตตัวเนี่ยได้เปิดตัวจอยค o n รุ่นใหม่ที่เอาไว้เล่นกับ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 อย่างไรก็ตามนะครับตัวจอยไม่มี HDDRAM um, NFC แล้วก็ไกโรแล้วก็เซนเซอร์ IR ทำให้ใช้แบบต่อจอยแยกเหมือนปุ่มจอยคอนดังเดิมได้นะใช้ได้ก็คือมันไม่มีมนะฮะตัวนี้ใช้ได้เฉพาะตอนต่อเข้ากับตัว Nintendo Switch อย่างพบพาเท่านั้นนะฮะก็ Nintendo Nintendo Switch เนี่ยก็ต้องต้องต้อ ง, ต, องต้องอธิบายนิดนึงว่ามันก็เป็นเกมเครื่องเล่นเกมตัวหนึ่งที่คนนิยมมากเพราะว่า ใ น, ในยุคที่ผ่านๆมาเนี่ยเราก็จะมีการผลิตเครื่องเล่นเกมมาหลากหลายไม่ว่าเป็นเครื่องวีนูดีนนะซึ่งถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเราก็จะนึกถึงเขาเรียกสมัยก่อนเรียกว่าเกมอาร์เคดเกมตู้นะหลายคนก็ชื่นชอบการเล่นแบบนี้ซึ่งคองมม่าจอยครั้งนี้เนี่ยเราก็ไปรวบรวมเกมเหล่านี้มาให้เราได้เล่นโได้มา Enjoy ยเหมือนกับเป็นพื้นที่พิเศษที่จะให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 เวลามาตรงนี้ปุ๊บ ก, ก็สามารถเลยไปด้านไหนเพื่อที่จะลองเล่นเกมอื่นๆที่เป็นอ e ีสปอร์ตในยุคนี้จะได้รู้ว่าเด็กเดี๋ยวนี้น้องๆเดี๋ยวนี้ทำไมเขาสนุกกับเกมแล้วนี่ก็ถือเป็นการแชร์ประสบการณ์นั่นเองนะครับเอาละครับเวลาของวันจันทร์นะก็หมดลงแล้วนะครับพรุ่งนี้จะมีเรื่องที่เกี่ยวกับ Big Data ซึ่งสนุกเดียวทีเดียวนะต้องบอก ง, งสนุกทีเดียวอยากให้ลองติดตามกันก็อันนี้ก็ฟังกันสบายๆสาสหรับ บทสัมภาษณ์แล้วก็ปิดท้ายด้วยข่าวนิดหน่อยนะครับอ่ะเวลาวันนี้บทลงแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คืนพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับรายการคอมจูเดย์สนับสนุนรายการโดยบริษัทเ r i p ร์ไจำกัดมหาชนและมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลคั ญ, ญบุรีมหาวิทยายลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาก็